ผู้หญิงบรรลุธรรมได้หรือไม่ถามเป็นผู้หญิงสามารถบรรลุธรรมได้ไหมได้ยินจากสำนักที่ตัวเองไปเรียนบอกว่าต้องใช้กรรมให้หมดก่อนสะสมบุญให้มากก่อนชาติต่อๆไปจึงมีสิทธิ์บรรลุธรรมได้ตอบ เป็นชายเป็นหญิงก็มีกรรมมีวิบากต้องชดใช้เรื่อยไปกันทั้งนั้นแหละครับต่อให้ชาตินี้คุณตั้งใจทําบุญแค่ไหนในที่สุดบั้นปลายชีวิตเมื่อมองย้อนหลังกลับไปก็จะพบกับบาปกรรมอันทําไปด้วยความไม่รู้มากมายก่กองอย่างแน่นอนและจะเป็นเช่นนี้ในชาติหน้าด้วยเอาแค่ขัดเคืองใครแล้วนึกด่าเขาอยู่ในใจก็ได้ชื่อว่าก่อบาปด้วยมโนกรรมแล้ว นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายิ่งต้องเกิดใหม่มากขึ้นคุณก็ต้องทำบาปมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยไม่มีใครหรอกครับที่สั่งสมแต่บุญได้อย่างเดียวเพราะคนเรามีโลภโทสะโมหะเป็นเพื่อนติดตัวไปบันทอนสติปัญญากันทุกภพทุกชาติอย่างไรก็ต้องพลาดผิดคิดบาปพูดบาปทำบาปกันเรื่อยไปเสมอ คุณไม่มีวันใช้กรรมได้หมดตราบเท่าที่ยังทำกรรมเพิ่มไม่หยุดหย่อนและคุณไม่มีทางสั่งสมปัญญาให้พอกพูนขึ้นอย่างเดียวตราบเท่าที่ยังมีกิเลสตามไปยั่วให้หล ง, งโง่อยู่ไม่ขาดคราวนี้หมองในแง่ที่ว่าต้องสะสมบุญมากแค่ไหนถึงจะพอเพียงแกการบรรลุธรรมก็ขอให้พิจารณาที่พุทธพจน์อันเป็นอมตะที่ว่า ใครก็ตามได้เจริญสติปัฏฐานสี่ด้วยความเพียรให้ต่อเนื่องอย่างชาที่สุดภายในเจ็ดปีเขาจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอระหันต์ขีนาศพองค์หนึ่งในโลกคำว่าใครก็ตามหมายถึงจะเป็นหญิงหรือชายจะเป็นเด็กหรือคนแก่ก็ล้วนแล้วแต่มีสิทธิ์ทั้งสิ้นขอให้เข้าใจวิธีเจริญสติปัฏฐานให้ถูกเถอะ เนี่นะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ยังมีหลักฐานบันทึกอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรขอให้เลือกเอาว่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อใครอื่นสมัยพุทธกาลก็มีทั้งเด็กสตรีและคนชราที่บรรลุธรรมกันอย่างเรือโครมมีรายชื่อปรากฏบันทึกไว้ในพระคมผีเป็นร้อยเป็นพันเลย พระผู้ถวายการรับใช้เคยทูลถามพระพุทธองค์ว่าเป็นหญิงสามารถสำเร็จธรรมขั้นต่างๆเป็นพระโสดาบันพระสะกทาคามีพระอนาคามีไปจนถึงพระอรหันต์ได้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าได้และนั่นก็เป็นเหตุให้มีการบวชเป็นภิกษุณีได้ในครั้งพุทธกาล ปัจจุบันแม้ไม่มีภิกษุณีแล้วแต่ก็ยังมีแม่ชีมีหญิงชาวบ้านที่เพียรปฏิบัติธรรมและได้รับผลจากธรรมกันตามสมควรแก่ความเพียรไม่ใช่ว่าหลักฐานของผู้หญิงผู้บรรลุธรรมขาดสายหายหนไปจากโลกแล้วเพียงแต่อ่านหายยากหน่อยซึ่งก็ไม่ใช่อะไรเพราะความเชื่อทำนองเดียวกับที่คุณได้รับมาและเป็นข้อประเด็นของคาถามนั่นแหละ ว่ากันตามเนื้อผ้านะครับเพื่อบรรลุธรรมนั้นกายจะเป็นชายหรือเป็นหญิงไม่สําคัญสําคัญที่ว่าจิตเห็นตามจริงได้ชัดเจนจนปล่อยวางเพียงใดถ้าเอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่เจอเรื่องหน้าขัดเคืองหน่อยก็เป็นฟืนเป็นไฟรุนแรงหรืออยากได้อะไรจะเอาให้เป็นไปตามใจไม่สนเหตุผลต้นปลายอย่างนี้คงเห็นตามจริงได้ยาก อีกประการหนึ่งหากมีศรัทธาแรงแต่เจอความยากลำบากหน่อยก็หวั่นไหวง่ายมีความกระวนกระวายคิดกลับไปกลับมาบ่อยๆหาความแน่นอนไม่ได้อย่างนี้ก็เอาดีถึงขั้นบรรลุธรรมไม่ไหวหรอกนี่ก็เป็นเรื่องต้องสำรวจกันทั้งชายและหญิงว่าตอนอยู่ในเพศไหนแล้วมีทุนอุดหนุนต่างกันมากน้อยเพียงใดครับ กราวอย่างรวบรัดคือหากคุณพบว่าตนเองมีคุณสมบัติเข้าข่ายได้เป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาสามารถศึกษาให้เข้าใจวิธีเจริญสติอย่างถูกต้องเท่านั้นก็เป็นหลักฐานตรงๆแล้วว่ามีบุญพอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าต้องไปคำนึงว่ากำลังอยู่ในอัตภาพหญิงหรือชายที่เหลือคือเพียรเจริญสติยางไม่ลดละเท่านั้น